29จิตพ่องแผ้วได้เพราะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจวงเล็บเปิดเมีนาคม2551ันาในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็ปิดการปฏิบัติธรรมจะได้ผลดีเราต้องคอยสํารวจตัวเองว่าอะไรทําให้เนิ่นช้าอะไรปิดกั้นเราอยู่ลองสํารวจดูก็ได้ว่าอากุศลอะไรเรายังไม่ได้ละกุศลอะไรเรายังไม่ได้เจริญการละอกุศลการเจริญกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ย เป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อการภาวนาจิตใจเราก็จะถึงความผ่องแผ้วได้ง่ายพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนโอวาทปาติโมกท่านบอกว่าไม่ทําชั่วใช่ไหมทํากุศลให้ถึงพร้อมทําจิตผ่องแผ้วฉะนั้นเราต้องสํารวจตัวเองนะความชั่วอะไรที่ยังไม่ได้ละที่ยังมีอยู่ยังยอมใจได้ให้รู้ทันอย่างการที่พวกเรามาฝึกเจริญสติกับหลวงพ่อนเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความชั่วของตัวเอง ผู้ที่ไม่ได้เจริญสติก็จะเห็นแต่ว่าตัวเองดีแต่ผู้เจริญสติจะเห็นว่าเราเต็มไปด้วยกิเลสกิเลสน้อยใหญ่นี่แหละมันมาย้อมใจใจมาก่อนนะกายวาจาถึงชั่วได้ฉะนั้นเรามีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันไปการที่เรามีสติอยู่นั่นแหละทําให้กุศลเจริญขึ้นเรามีสติอยู่ตัวสติเองก็เป็นธรรมชาติฝ่ายกุศลอยู่แล้วมีสติเนืองๆ เ, เคยมีโลภก็เกิดเป็นอโลภะ เคยมีโทสะก็เป็นอโทสะเคยมีโมหะก็เป็นอโมหะโลภะก็ปราศจากโลภะมีโทสะพอมีสติขึ้นมาก็ปราศจากโทสะหลงอยู่พอมีสติก็ปราศจากโมหะอโมหะนี่เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของคําว่าปัญญานั่นเองฉะนั้นปัญญากับโมหะเนี่ยเป็นธรรมชาติสุดขั้วกันตรงข้ามกันอาศัยเรามีสติที่แท้จริงขึ้นมานะก็ได้อโลภะอโทสะอโมหะ อโลภะอโทสะอโมหะนี่แหละเป็นชื่อของกุศลพวกเราคุ้นเคยแต่ว่าอากุศลมีโลภโกรธหลงใช่ไหมโลภะโทสะโมหะแต่ถามว่ากุศลมีองค์ธรรมอย่างไรบ้างองค์ธรรมของมันก็คืออโลภะอโทสะอโมหะกลับข้างกันการที่มีโลภะกับอโลภะมีโทสะกับอโทสะมีโมหะกับอโมหะเป็นคู่ๆตราบใดที่ยังอยู่ในธรรมคู่นะมันยังพลิกกลับไปกลับมาได้ อย่างเราภาวนาเราจะเห็นเลยวันนี้ไม่มีราคะแล้วสายๆไปเจอสาวสวยมีขึ้นมาอีกแล้วมันพลิกกลับไปกลับมาได้ภาวนานะใจเย็นสบายเลยขับรถกลับบ้านจากวัดนะอยู่วัดแมมจิตใจมีความสุขทุกคนเขาขับปาดหน้าโทสะเกิดแล้วจากอโทสะก็เป็นโทสะขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นลำพังแค่ละชั่วทำดีมันพลิกไปพลิกมามันจะได้บ้างไม่ได้บ้างดีบ้างชั่วบ้าง ยังไม่พอเราต้องมีสติรู้ความจริงของกายของใจตรงนี้เป็นกุญแจสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเรารู้ความจริงของกายของใจลําพังมีสติเนี่ยละชั่วลําพังมีสติเนี่ยทําดีแต่ต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจนเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจถึงจะผ่องแผ้วได้จิตที่ผ่องแผ้วขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงสติปัฏฐานเอาไว้บอกสติปัฏฐานเป็นเอกายนามมรรค เป็นทางสายเอกสายเดียวที่จะนําไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่ความผ่องแผ้วฉะนั้นเรามีสติขึ้นมานะแล้วก็คิดแต่เรื่องทําบุญทํากุศลอะไรเนี่ยไม่พอมันผ่องแผ้วชั่วคราวเดี๋ยวก็หมองมองอีกทําบุญไปไม่นานเดี๋ยวก็โลภอีกแล้วแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ต้องหัดมีสติรู้กายรู้ใจต้นต อ, นตอนของปัญหามันอยู่ที่ความไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจความไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจคือสิ่งที่เรียกว่า ในเครื่องหมายคำพูดอวิชชานั่นเองพอเราไม่เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเราก็คิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้เราเราก็เลยหวงแหนรักษาเราหวงแหนกายหวงแหนใจนี้ว่าเป็นตัวเราหวงที่สุดอะไรมากระทบนิดหน่อยเราก็กลุ้มใจแล้วร่างกายแก่ไปหน่อยหนึ่งก็กลุ้มใจถ้าเรามาเจริญสติมากๆนะจนเห็นความจริงของมันเข้าไปมันมีแต่ตัวทุกข์นะทั้งกายทั้งใจมีแต่ตัวทุกข์ เรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์นั่นแหละมันทุกข์เพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก เ, กเพราะเป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้นะใจจะคลายความยึดถือมันจะรู้สึกเบื่อรู้สึกไร้สาระทั้งกายทั้งใจนี้เต็มไปด้วยของไร้สาระพอรู้แล้วก็เบื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือลงไปพอคลายความยึดถือเราไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมามันก็หลุดออกไปสิสิ่งทั้งหลายนะ เราไปยึดเอาไว้เราไปยึดเอาไว้มันก็ไม่หลุดสินะบางคนกามแน่นเลยนะเมื่อไรจะปล่อยวางเกือบทั้งหมดทำแบบนี้นะจริงๆเป็นอย่างนี้เลยแหละกาเอาไว้แน่นเลยนะอุ๊ยฉันอยากปล่อยแล้วเพื่อฉันจะได้ดีเพื่อฉันจะได้มีความสุขเพื่อฉันจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานใช่ไหมมันเซิฟในวงเล็บสนองคำว่าฉันทั้งนั้นเลยเพื่อตัวกูทั้งนั้นแหละจริงๆแล้วง่ายนิดเดียวถ้าเราเห็นความจริงว่านี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนะ สมมุติว่าเราหยิบขึ้นมานึกว่าของดีดูไปอีกทีอุ้ยคว้าเอาไส้เดือนขึ้นมาก็รีบโยนทิ้งมันวางของมันเองนะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของเขาเองเพราะว่ามีสติมีสัมมาสมาธิมีปัญญามีปัญญานั่นแหละแล้วก็ปล่อยวางฉะนั้นพวกเรามาเรียนนะเรียนจนวันหนึ่งเกิดมีปัญญาปล่อยวางปัญญามีได้ต้องมีสติรู้กายรู้ใจ เพราะปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจปัญญาไม่ใช่สิ่งอื่น